ในหรับสิขาบทที่สิบเอ็ดที่สุพร้อมกับสงให้จีวรนเป็นบนันไดแี่สุรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกับตีเตียงที่สุอื่นว่าให้พระเห็นกันหน้ากันต้องบัดไวอยิตีนี่อันนี้ไม่อยากไปในรกสบายจะรู้อยู่แล้วนะขอ้อตีติดสองที่สุรู้อยู่น้อมราบที่ทายกตั้งใจถวายเพื่อสง มาเพื่อบุคคลต้องอับดัดไฟจีตีอันนี้สบายเลยท่านสบายแล้วแบบนี้นอนเอวจีแบบสบายสบา ย, บายตัวอย่างอย่างย่าิอ่าพระย่าิขมประเจ้าพินิสานกำบรรดาทายกที่เป็นย่าิขมประเจ้าพินิสารเอาเรื่องพระกรณีกว่าในสมัยนั้นในสมัยพระพุทธกระสบับมีพระอยู่สี่รูป เป็นญายิของพระเจ้าพิมินสารนี่ผมอาจจะพูดสรงเดชตลาดไปนะสําหรับทายกทายิกาทั้งหลายที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมินสารในกิ่งของสงมีอยู่นี่ผมเอาว่าประกันเขาเอาของมาถวายเป็นของสงคือเข้าสารคําว่าของสงนี่ได้ของทอดพรปาของถวายสังฆทานขอท้องทถวายเขมาในส่วนกลางอันนี้เป็นของสง อย่าไปโมเมว่าเป็นของส่วนตัวนะ่ะลงนรกไปดูตัวอย่างพระสีอะส่องค์นี้ถ้าสี่องค์นี้สมัยนั้นปลายกฏว่าบินบำบัตไม่ค่อยเยอะใกินนักมีเพื่อนพระมาหาก็เห็นว่าอาหารที่ยาบริโภคมันไม่พอจึงไปก็ยืมข้าวของสงฆ์คือก็าสายของสงมาองค์ละทนนานมันเลี้ยงเพื่อนพระด้วยกัน ร็คิดไว้ในใจว่าถ้าเราได้เขาสารมาเมื่อไร่เราก็จะชาระหนี้สงอวยคืนให้แกสงนี่ความจริงเจตนาของท่านดีดีกว่าท่านทิ้นน้อมลาบที่เขาจะตั้งใจถวายสงไปเพื่อเพื่อส่วนบุคคลอันนี้มันเรวกว่าทั้งหลายร้อยเปอร์เซ็นมันเจตนาของท่านดีมากไม่ได้คิดจะรักไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจของถ่ายยก เขาถ้าไว้เป็นของสงฆ์เข้ามาแล้วล้วก็ตั้งใจว่าจะเขายืมแล้วก็จะใช่แต่ว่าบาังเอิญตายเสียก่อนได้เจตนาที่เขายืมเท่านี้แหละต้องไปไหมในอเวจี v G มหานรกแต่ก็รู้สึกว่าไหมน้อยไปหน่อยสิ้นพันปีนรกความจริงอเวจี v G นี่เขามีอายุกับหนึ่งแต่อายที่เจตนาดีเอาแค่พันปีนรก พันปีนรกนี่ก็ไม่ไหวแล้วนรกขุมที่หนึ่งเก้าล้านปีเป็นหนึ่งวันแล้วอานรกขุมที่สองคูณนรกขุมที่หนึ่งเอาสองคูณนรกขุมที่หนึ่งนรกขุมที่สามเอาสองคูณนรกขุมที่สองนรกขุมที่สี่เอาสองคูณนรกอ้าขุมที่สามนรกขุมที่ห้าก็เอาสองคูณนรกเอ่อนรกขุมที่สี่เป็นวันหนึ่งแล้วคูณคูณคูณคูณกันลงไปจนกระทั่ง ถึงขุมที่ 8. แปดใช่สองคูณเก้าล้านเริ่มต้นดีวเก้าล้านปีเป็นหนึ่งวันถ้าสองคูณไปตามลาดับสองคูณแล้วก็สองคูณแล้วก็สองคูณแล้วก็สองคูณไปเท่าไรก็ตามพอไปถึงอเวจี v G, นับเป็นหนึ่งวัน แล้วก็เดือนหนึ่งมีสามสิบวันปีมีสองเดือนพระภูินี้ต้องเป็นนอนอยู่แนวเวทีมหานรกสิน 1, ้นหนึ่งพันปีนรกเขาในอเอาเวทีนี่เขาสารทนนานเดียวก็มีเจตนาดีไม่ได้ตั้งใจจะขโมยสำหรับสีขาบทนี้พิสุรู้อยู่ว่าเขาจะน้อมลาบมาถวายสงจะาลาบไปถวายสง์ เิดบอกว่าทายกยบวณี่ถวายสงฆ์ไม่กินลําบากให้เป็นส่วนบุคคลเทอะอย่างนี้เจตนามันเร็วกับพระวิสุทสีองค์นั้นและพระวิสุทสี่องค์นั้นไปอเวจีมาหานรกสิ้นพันปีของอเวจีมาหานรกถ้าว่าท่านผู้นี้แล้วก็เต็มกับคนดีแล้วจะลอยไปนิดๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันอายุแนวเวจีมาหานรกหนึ่งกับ แต่ก็มีการคูณคูในสามคูในสี่อย่างพวกที่เอาของสงมาเป็นของตนเอาไปคเครี่ออะไรมาแล้วมาใช้เป็นส่วนตนทรัพย์สินของสงที่มีอยู่เอาไปใช้เป็นของตนเอาเข้าเป็นสบายของตนอันนี้มันมากมนวัดที่มีของมากเอาไปขายเสีบ้างเอาไปให้ยากเสีบ้างเอาไปทำประโยชน์ส่วนตนนี่เรียกว่าทำลายของสงยึดของสงเป็นของวนบุคคล พวนี้ลงอเวจีถ้าทำบ่อยๆท่้นคูนคูนในสามคูนในสี่คูนในห้าแทนที่จะเป็นอายุหนึ่งกับก็เป็นสองกับสามกับสี่กับห้ากับกระดูกผุกกันอยู่ในมหานรกนั่นเองเป็นอันว่าถึงแม้ว่าลงอเวจีแล้วมันพ้นอเวจีมันยังไม่ค้นนี่ถ้างมาลงนรกบริวารสี่ขุมซึ่งไม่มีอายุเอาแ น, น่นอนขอายุไม่ได้และยังมีโทษ อ, อื่นก็ต้องไปตกคนนรกคุ้นใหญ่คุ้มอื่นอีก คนจากนั้นต้องมาผ่านย ม, มโลกยะนรกอีกสิบขุมนีม่อายุเท่าไหร่ไม่รู้นี่เขาไม่บอกอายุมาเป็นเปรตติดสองยมพวกมาเป็นอาสุรกายมาเป็นสัตว์เลี้ยฉันจากสัตว์เล็กถึงสัตว์ใหญ่จงกว่าจะเป็นสัตว์ที่ไดความเมตตาปราณีจึงจะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะหาความบริสุทธิ์หาความบริบูรณ์ไม่ได้มีแต่ความเดือดร้อนดุริการต่างๆ นี่โทษแห่งการน้อมลาบที่ทายกเขาจะนานำลาบมาก็ถวอไว้สงฆนะ์แยกไปนิดเดียวเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการขโมยของสงฆ์แล้วสบายอย่าทํายนะนี่บรรดาพระทั้งหลายนี่ที่นั่งตาสลอนอยู่นี่อย่าไปทากันถ้าคิดว่าเป็นพระถ้าหากว่าท่านทั้งหลายอยากเป็นสัตว์นรกก็มมนิมนต์ตามอธัธยาศัย สำหรับรบติตั้งแต่สังฆาดิเศษลงมาพระท่านตองแล้วให้ประกายความชั่วของตัวเองต่อตัวหน้าสงโทษจะได้ยับยั้งอยู่แค่นั้นและจงตั้งใจอย่าทำความชั่วต่อไปถ้าฝ่าฝืนแล้วก็ท่านทั้งหลายมีความสมบายเป็นกรณีพิเศษ ตาที่บอกมาแล้วนอนสบายกว่าจะพบศาสนาก็องค์สมเด็จพระบร ม, มโลเกเชกว่าเถร ะ, ะดกุขแล้วผู้อีกอาดาสำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วก็ข อ, อยุติเพียงเท่นทานี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตเคารพในพระธรรมวินัยจงมีแต่ท่านทั้งิ้นที่สูงทั้งหลายเป็นเพื่อนสนาธรรมิกะ จงมีความประพฤติดีประพฤติชอบประกอบได้วยคุณธรรมความดีตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนจงทุกประการสวัสดี อ, อท่านเพื่อนสาธ ร, รมิกาทั้งหลายนี่ผมเรียกท่านมาเพื่อนแต่ความจริงพระที่บวตรขามาก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นพี่ แล้วก็คนที่บวชที่หลังท่านเรียกว่าเป็นน้องไม่ใช่ใครเป็นพ่อเป็นแม่กันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อเรามีพระธรรมวินัยเป็นแม่เป็นผู้ประคับประคองดะนั้นท่านที่บวชเข้ามาก่อนท่านยังถือว่าเพื่อนเขาเรียกว่าเป็นพี่แล้วบวชที่หลังก็เป็นน้องเรื่องอายุที่เกิดก่อนกันที่หลังกันแลไม่มีความสําคัญ <c oughs> มันสําคัญอยู่ที่บวชก่อนบวชหลังนี่คนที่มีอายุมากบวช ท, ที่หลังไปให้คนนี้ก็บวชกว่อนไหวก็ เ, เตรียมตัวไปรกแบบสบายๆก็ไม่เคารพในบัณฑนาวีไหนเมนี้ถ้าเราบวชก่อนแต่เราเป็นผู้ชั่วจิตใจไม่เป็นพระแต่ให้เป็นพระที่เขามีความบริสุทธิ์ไหว เราก็ลงนรกไอ้แบบสบายอีกเหมือนกันอันนี้ที่ผมเรียกทว่าเพื่อนเพื่อนสาธรรมนิกก็หมายความว่าเราเป็นเพื่อนที่มีความประพฤติ ธ, ธรรมร่วมกันนี่ถือว่าเพื่อนกันแต่ใครฝ่าฝืนในธรรมก็ไม่ใช่เพื่อนกับผมไอ้ผมนี่มีความประพฤติ ธ, ธรรมครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมไม่ไป ไ, ไม่บอกท่านนี่ เราท่วนหรือไม่ท่วนครบหรือไม่ครบขุนยายจะให้ท่านรู้เอาเองต่อว่ามาไรท่านทัง้งหลายปฏิบัติตนในันดับต้นให้เ ข, าข้าถึงทิฏฐิจคุยยานแล้วทำใจของพวกท่านให้พนันโคตรภูยานเข้าไปก่อนตอนนั้นท่านอาจจะเห็นหลังผมไวๆไหวๆ นั่นก็พอจะเดาได้ว่าผมปฏิบัติตนเนี่ยเป็นพระหรือเปล่าท่านอาจจะเห็นหลังผมโน่นมันนรกก็ได้อาจจะเห็นหลังผมอยู่ที่เปลือกก็ได้เห็นหลังวัยวัยอยู่ในหมู่เปลือกหรือาจจะเห็นหลังผมอยู่ในหมู่อสุรกายหรือหมู่สัตว์ประหลาดแลือเป็นมนุษย์ไรืเห็นหลังวัยวัยอยู่แค่เทวดาพรมหรือ น, นิพพานอะไรก็ตามทีเถอะ ตอนนี้ผมอยากจะให้พวกท่านไล่หลังผมให้ทันว่าจะได้รู้ว่าผมดีแลอผมชั่วเนี่ผมไม่รู้ไม่กันะไอ้คำว่าไม่รู้นี่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวคือไม่รู้จะพูดกับท่านมาอย่างไง <c oughs> ถ้าจะพูดได้ผมก็ไม่พูดให้ท่านทำให้ถึงเองดีกว่าผมกล้าท้าท่านที่มีความกล้าท้าผมเชื่อมั่นในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ที่หลวงพ่อปายเคยสอนให้ผมภาวนาว่าพุโทโธพุธโฑนี่ผมจํามันได้ตั้งแต่บรรษาที่บทใหม่จําขึ้นใจมานานแล้วผมเกาะองค์สมเด็จพระบพิธแก้วไม่ยอมปล่อยมานานจันั้นในเมื่อผมเกาะองค์สมเด็จพระบิชิตมานอยู่มันจะไปไหนก็มันไปผมบอกอาจารย์ไม่ได้บอกเวลานี้ผมไปไหน ผมไม่ไปไหนแล้วผมจะอยู่กับพวกท่น <c oughs> านจะคอยแค่สนิมของพวกท่านหรือว่าผมแค่สนิมของผมหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ช่างะไรเพราะเอาความดีตอนที่เอาความรู้ที่องค์สมเด็จพระบรมครูสอนไว้มนันแนะนำพวกท่าน <c oughs> ผมเอาตรงนี้นิดเดียวผมขอนิดหนึงความดีที่พวกท่านจนได้ร้อยเปอร์ซ็น ผมขอหนึ่งหนึ่งในหนึ่งของรอยเปอร์เซ็นอายดนิดเดียวเท่านั้นแหละเอาเท่านี้แต่ว่าเห็นว่าท่านทังหลายปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของความดีผมปลื้มใจมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้อะไรเลยก็ตามแต่แต่หากว่าผมเห็นพ่ท่านผู้ท่านทังหลายปฏิบัติในความชั่วไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัย ผมก็จะสลดใจสงสารองค์สมเด็จพระจอมไ ต, ตรบรมสาเสนา ส, สัมมาสัพพุทธเจ้าเดี๋ยวอุตสาบำเพ็ญบา ร, รมีมาทั้งเสียสงไข่กำไรแสงกับพ้นความยากพ้นความลำบากด้วยประการทั้งปวงและพวกท่านที่มานั่งเกาะกินหลังพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้กับไม่สร้างความดีนี่ผมจะเสียใจบอกไม่ถูก เ, เรื่องนี้ก็ขอยกยอดไปเรามาพูดเกงเยวกับพระวินยัยในวัคี้ท่านเรียกกันว่ารัตนวัคมีสิกขาบทอยู่สิบสิกขาหมดสิบสิกขาบทดบทบทนี่ท่านว่าไว้อย่างไรรัตนนี่แปลว่าแก้วนะย่าเป็นแก้วอะไรเนาะเป็นแก้วเจรรไหร่แล้วแก้วธรรมดาที่ใส่น้ําร้อนได้แล้วว่าเป็นแก้วเล่าผมก็ยังไม่รู้ ไปฟังองค์สมเด็จพระบรมครูที่พระองค์ทรงตรัสท่านตัดไว้ว่าข้อที่หนึ่งที่สุไม่ได้รักอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าบันดินประเด็จประทับอยู่กับม่เหสีต้องอบบตดปาจิตตีนี่จำได้ไมลนะ่ะนี่ด้วยมัน ญ, ญาต์นะมัน ญ, ญาตเท่านี้มีโทษแค่ไหน ถ้าเรายะมองกันไปอย่าคนอย่างคนบ้องตื่นไหนมันจะไม่มีโทษอะไรนี่แค่เข้าไปแล้วมันเป็นการเสียมัน ญ, ญาตินิดหน่อยเรากล่าวคําขอโทษเสียนันก็พอนี่ถ้าบ้องตื่นเราก็าคิดแค่นี้นะถ้าบ้องเล็กเขาคิดต่อไปว่าถ้ามิสุองค์ใดองค์หนึ่งที่มีความสนิทสนมกับประมาหากษัตริย์ ทำรุ่มร่ามซุ่มซ่ามเข้าไปอย่างนั้นที่พระองค์เสด็จประทับอยู่กับพระราชินีอาจจะอยู่แบบปกติได้จู๋จีในฐานะเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้มันเป็นเกียริยาที่ไม่ดีไต่ทำอย่างนี้เข้าพระมเหสีกับพระมหากษัตริย์ก็จะมีความไม่พอใจแล้วก็จะมาตําหนิพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าไม่มีพระธรรมวินยัยปฏิบัติรุ่มร่ามหามันญาติไม่ได้ นี่ทําใจให้พระคอมประราชาและพระราชนีให้หม่นหมองทํำยังไงนะไปสร้างให้เขาเกิดนรกแล้วตัวจะไปไหนละ่ะความม่นหมองเรานั่งเกิดขึ้นเพราะใครทําเราใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้ทําแล้วก็ระมัดระวังไว้เราก็ไปด้วยตรง น, นี้กิริยาท่าทางที่ไม่ดีแบบนั้นไอ้ความลับนี่มันไม่มีในโลก พระพุทธเจา้าจึงกล่าวว่านัตติโลเกออนินทิตโตนี่ว่าบาลีผิดไปแล้วบัาลีบทนี้เขากล่าวว่าคนที่ไม่ถูกทินทาเลยไม่มีในโลกก็ไม่ผิดในเมื่อพระราชากับพระมเหสีเห็นนักบทปฏิบัติตนไม่ดีก็อดที่จะมาพูดไม่ได้ให้คนอื่นได้รับฟังนี่ต้องลงพระบาลีว่านัตติโลเกลาหุนามะความลับไม่มีในโลก และเมื่อขาความไม่ดีแพร่หลายออกไปความเสื่อมคลายในการนับถือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาว่าพระสงฆ์ทั้งหลายมีมัญญาตไม่ดีก็จะกระจายออกไปทำลายศรัทธาไทยเขามรนด่าทันพุทธบริษัทแล้วก็สร้างความเศร้าหมองให้เกิดแก่พระพุทธศาสนาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะกลายเป็นพระที่ต้องดูถูกดูแคลนไปด้วย นี่เราช่วยให้พระพุทธศาสนาเศร้าหมองแล้วเราจะไปไหนล่ะไปไหนนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกก็จะบอกให้ว่าไปนรกสิสบายนี่สิ น, นี่มันขาดได้หรือวินัยก็คือสินขาดสินเขลาว่าเขาสินขาดเ ข, ข้าไปนรกถ้าพระสินขาดไปเป็นเทวดาแล้วมันสวยเต็มที อยลืมมาครวายเขาทำบาปหนึ่งร้อยครั้งเราทําบาปหนึ่งครั้งเรามีโทษมากกว่าขลาวาดัดนี่เคยพูดให้ฟังบ่อยๆเอาว่ากันต่อไปในสิขาบทที่สองพิสุเห็นเครื่องบริโภคขอรหัดตกอยู่นี่ของกินนะถ้าอุปโภคเราของใช้เถือเป็นของของอากะเถือเป็นของเก็บ ได้เองก็ดีหรือให้ผูอิญถือเอาก็ดีใช่คนหนึ่งเก็บต้องอาบัตรปลาจิตตีอันนี้ตอนนี้เป็นโทษเฉพาะสั่งให้เก็บหรือว่าหยิบขึ้นมานะแกาบัตรปลาจิตตีถ้ามีเจตนาลักจของน้นราคาตั้งแต่ห้ามาศกขึ้นหนึ่งบาทขึ้นไปต้องระวังให้ดีมันจะย่องย่องเขาไปถึงประราชิต ตอนนั้นนักพิสูจไม่ควรจะทําใจเลวแบบนี้เราเป็นพระผู้เปรดเสยพิสูจน์แปลว่าเห็นภัยในสงสารสมณะแปลว่าสงบถ้าทําแบบนี้มันจะสงบง ไ, งได้ยังไงจะประเสริฐได้ยังไงจะเป็นผู้เห็นภัยในสงสารได้ยังไงใจมันเลวแสนเลวจนแล้วนี่ไอการไม่เคารพสิทธิสิ่งกันอะไรกันส่วนมากมันเป็นสัตย์ร่ายฉาน ตอนไม่ได้ฉันเห็นสัตว์ตัวหนึ่งกินอาหารอยู่มันก็เข้าไปแย่งเมื่อไรใครเขาวางไว้มันไม่ต้องรับอนุญาตมันก็เข้าไปกินถ้ามันอยากกินแต่ว่าสัตว์ประเภทดีนี่เขาก็เคารพเหมือนกันสัตว์เลี้ยงเนี่ยสุ น, นัขของผมอย่างเจ้าเล็กนี่อย่างเจ้าดมนี่เวลาจะให้มันกินอาหารมันก็ถ้าบอกว่าอยากกินของเขานะมันก็ไม่กิน มันยังมีความเคารพเรานี่พระพุทธเจ้าแนะนําไว้ว่าจงอย่าถือเอาของบริโภคเครื่องบริโภคของก็รหัสที่ตกอยู่ถือว่าจะให้ใจย้ายให้คนอื่นเขาหยิบยาอย่าทําอย่างนั้นเราก็ขืนทำเมื่อเลยเลวก็จะเล็กจนเจ้า ด, ดมเนี่ยเทียบ ด, ดูกับหมาสองตัวนี่ก็ได้ใจของเราเลวถ้าเราเลวกว่าสัตว์ไปไหนเราก็ไปในรก นี่พระนิยานะแย่ถือว่ า, อาบัดเล็กน้อยนี่บรรดาผู้เท่าทั้งหลาย <c oughs> เคยเห็นพระผู้เท่าทั้งหลายทําตัวผิดประธรรมวินัยแล้วถือตัวแหม่ชั้นเด่นฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้ลงนรกไลยดีที่สุดนี่ฉันเป็นตัวสังราชนะ ฉันเป็นสมเด็จฉันเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ฉันเป็นพระเจ้าคณะตรวจการภาคฉันเป็นเจ้าคณะจังหวัดฉันเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดฉันเป็นเจ้าคณะอำเภออะไรฉันรองเจ้าหน้าอำเภอเจ้าหน้าตำบลรองเจ้าคณะตำบลฉันเป็นเจ้าอาวาดมันต้องใหญ่ต้องโตเนี่ยฉันเป็นหัวหน้าหมู่ใครจะมาโตกับฉันไม่ได้แต่ระวังเราโตกับกว่าคนเราโตได้แต่โตกว่ามรกนนี้มันโตไม่ได้ นรกมันโตก ว, วา่าถ้าเราไม่เคารพในวัรมวินัยตัวอย่างเห็นพระพระทองพระเลี่ยมทองเขาตกอยู่แล้วเก็บเอาเองก็ดีให้คนเอง่นเก็บก็ดีอย่างนี้เป็นประราชิกแง่แงเลยตัวหยิบเปบ็นอวบไปตีแต่ค่าของของมันมากเกินไปถ้ามีเจตนาว่าจะเก็บให้เขาแล้วก็พอใช้ได้ แต่นี่แดงกล่าวถึงเครื่อง บ, บริโภคคือเครื่องกินของกินท่านหมายนไหมายความว่าเป็นของที่มีค่าเล็กน้อยแต่ว่าเวลานี้ระวังเนี่ยปลาตัวเล็กเล็กตัราคาเกินบาทปลาทูสองตัวเกินบาทไปแล้วข้าวผัดหนึ่งห่อราคาเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งห่อราคาเท่าไหร่นี่ต้องระมัดระวังให้ดีอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ ถ้ารงไม่เคารพนะพระวินัยแล้วก็ป้องลงนรกถ้าจะไปเอามันเลยอสว่างสวรรนคะ์นีไ่ไม่ทำเปนึกแต่เพราว่ามันต้องเข้ามาแล้วนึกเข้นมาได้รีบมาบอกพระสงฆ์แต่กายความชั่วของตัวตกระสงฆ์แต่บาตตัวนี้มันไม่หายไปมันยับยัง้งมายับยั้งแล้วมันหยุดอยูน่นี่เราวิ่งเลยสร้างความดีวิ่งหนีวิ่งไห้สุดกําลังพระวินัยมีเท่าไหร่ โกรให้จีนา่ื้นให้วินแล้วทําไมไม่ดูกันเบยามรวบรวมกําลังใจรักษาพระวินยัยให้ครบถ้วนรักษาพระวินยัยครบถ้วนเนี่างนี้บาปไม่พ้นนัะจะบอกให้อย่างนี้บาปไม่พ้ น, น, พนถ้าจะหนีบาปพ้นท่ายัางไงต้องทําใจให้เข้าถึงธรรมะสร้างสมาธิจิตให้เป็นฌาน ถ้าเป็นชาโลกีนี่ก็ยังร่อแร่เต็มทีนะบาปยังไล่หลังทันเอาอย่างนี้วิ่งบันตบัญอย่าเพิ่งหยุดไปหยุดนอนโ น, น่นไปนอนทอดหุ่ยพราะพักพักแรงเหนื่อยได้ตอนถึงระโสดาบันถ้าถึงระโสดาบันแล้วก็นั่งพักเหนื่อยจะได้พักหนึ่งเพราะอะไร ย, ยิ้มได้สิที่เพราะเจ้าเทวดาบาปนี่แจเร่งงานฉันยากแล้ว ฉันไม่ยอมลงในรกฉันไม่ยอมเป็นเปรตอสุรกายไม่ยอมเป็นสัตว์ปรานแต่ว่าบาปก็ยังตามเล่น ง, งานได้ตอนที่เรามาเกิดเป็นคนแต่มันก็มีผลทำให้เดือดร้อนแต่เราก็พ้นทร่บายภูมิสีแล้ว <c oughs> พอยึ้นได้เราชำนะแต่ดอกเบี้ยไม่เป็นไรดมั้งแต่ถึงเมื่อโถวิสดาบันแล้วมันก็ยังต้องรับโทษอยู่บ้างอย่าหยุด ทาไม่ถึงพระอนาคามีพอถึงพระนาคามีสบายใจตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือผม์เราก็อยู่สักที่นั่นบาปเสกข้อบาปตามไม่ทันแล้วก็เดินต่อไปถึงพระนิพพานแบบง่ายๆสบายๆเอาอย่างนี้อย่าบกพร่องในพระวีไงนี่ท่านบอกว่าต่อไปเว้นไว้แต่ว่าของนั่นตกอยู่ในวัดหรือว่าในที่อาศัย เรารู้ว่าของเขโตอยู่ต้องเก็บไว้ให้เขาถ้าไม่เก็บท่านปรับเป็นอวบทุกกฎแลลืมันจะลืมนี่นักวินัยเขาไม่จะสอนอา่าอับทุกกฎแต่มันเล็กน้อยมันก็ยุงกัดแต่ลองปล่อยให้มันกัดเต็มตัวสิกัดบ่อยๆไม่ช่าจะเป็นโรคเมลีเรียตายหรือแมงค่ายเลือดออกตายยุงกัดมันก็ร้ายเหมือนกัน อำนาจทุกกฎนั้นมันกดไปไหนไม่กดไว้น่ะมันจะขึ้นได้ยังไงนี่พูดกันตามภาษามันก็จมลงไปหานรกไม่นจะไป็ปีประโยชน์อะไรนี่นักสอนีินัยมันจะสอนบอกกยไม่เป็นนารเล็กน้อยนี่ไม่เท่าไหร่ก็ลองดูทิถ้าเราเสียเงินบรรบาทบรรบาทมันเล็กน้อยถ้าร้อยวันมันก็ร้อยบาทพันวันมันก็พันบาทหมื่นวันมันก็หมื่นบาทแสนวันมันก็แสนบาท ถ้าเราเสียทุกวันไม่มีได้เข้ามาแล้วมันจะมีทุนที่ไหนสํารองมันมีแต่เสียไปไอตัวเสียปลากรขึ้นมาไรเราก็ขาดทุนขาดทุนตรงไหนขาดทุนตรงที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นมนุษย์มันขาดไปถ้าขาดทุนน้อยมันก็ไหลลงาไม่ค้างแค่สัตย์ิทธิ์ฉานถ้ามากกว่าหน่อยก็ถูกกดลงไปเป็นแปรสุรกาย ถ้าขาดทุนมากอมบัติทุกกดมันก็กดไปถึงเปรต ถ, ถ้าขาดทุนหนักขึ้นมามันก็กดลงไปถึงนรกอมบัดทุกกดทุกกดตลอดเวลาไม่มีทานที่จะโผล่หัวขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้นา น, นักหนานี่เราปฏิบัติมาในศาสนาก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเรากราบปฏิญาณตนวันิพานนัสสะสัชชิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวา นึ่งแปลเป็นยจความว่าเราขอรับผ้ากาสาวะพัฒเพื่อทำให้แจ้งสิพณิพานบางทีบทนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปว่าเอสาหังพันเทสุจิระปรินิพุตตามปิตังภควันตังสนังกาชามินี่ตอนนี้เรากล่าวปราถนาพระนิพพานเหมือนกันแ้าเราต้องการพระนิพพานแต่ว่าเราเป็นมนุษย์ต่อไปไม่ได้เพราะถูกกดลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง กดลึกลงไปแปนสุรกายโตดลึกลงไปเป็นเปรตกดลึกลงไปเป็นสัตว์นรกมันขาดทุนอยาไปนิพพานได้อย่างไงนี่อวบถูกกดกระยาให้มันกดเลยรักษามันญาติตามพระพุทธเจ้าสอนไว้ยากฝ่าฝืนอยาพยายามดัดแปลงอยาพยายามแก้ไขความจังไรมันจะปรากฏ ท่นี้ข้อดีสามองค์สมเด็จพระบร ม, มสุขโคติงกล่าวว่าพิกษุแม้ท่านเรียกดีจำให้ดีนะพิสุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารต้องจำไว้เห็นภัยในสงสารเขาไม่ทำความชั่วนิดหนึ่งเขาก็ไม่ทำเพราะนิดหนึ่งมันก็เป็นภัยว่าพิสุไม่บอกลาพิสุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อนเข้าไปในบ้านในเวลาวิการต้ อ, อบัดบายีตีเว้นไว้แต่การดุล นี่ความเป็นระเบียบในตอนนี้พระพุทธเจ้าแต่งกันความเสียหายเพราะถ้าเราเข้าไปคนเดียวไม่บอกลาไม่บอกลาที่ก่อนว่าเราจะไปเวลาไหนกลับเวลาไหนไปบ้านใครดีไม่ดีมีใครเข้ามาโจดเพราะเวลานั้นเวลานี้พระองค์นั้นองนี้ไปทําความชั่วไปที่โน่นไปที่นี่ ทางพระในวัดจได้บอกได้ว่าเขามาลาฉันว่าไปที่นั่นนะเวลาเท่านั้นเทนีเขากลับเวลาเท่านั้นเานี้พยานมีแต่มาเอิงการกล่าวอ้างนั้นไม่ตรงตามความเป็นจริงเขาก็จะได้ไม่ลงโทษเรานี่เป็นการป้องกันป้องกันความเดือดร้อนแต่ว่าเป็นระเบียบแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงตัดถ้าเราไม่ปฏิบัติเป็นปาจิตตีจิตเป็นบาศ ฝ่าฝืนคำนามกฎข้อบังคับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อนี้อย่างเร็วนะก็เป็นสัตว์เดรัจฉานในแบบสบายๆถ้าเร็วมากไปกว่านั้นไปแบบชนิดที่เรกว่าไม่เกรงใจใครโลนรกเพราะใจมันชั่วเกินไปเว้นไวไ้ในการด่วนดวนนั่นต้องพิว่าจำเป็นจริงๆพ่อตายแม่ตา ย, ตายพ่อเจ็บหนักแม่เจ็บหนัก อันตรายเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เคารพที่มีคุณบอกไม่ทันต้องเปิดด่วนไม่งั้นไม่ทันการออย่างนี้ท่านอนุญาตแต่ว่าอย่าแกล้งด่วนะถ้าแกล้งด่วนไอ้จิตตัวแกล้งไม่เกิดขึ้นมาอีกแสดงถึงความไม่เคารนพนะ็วีนันไปไปนรกไปสบายตอนนี้ขอ้อที่สี่พิสุทำกล่องเข็ม ด้วยกระดูกก็ดีด้วยงาก็ดีแล้ด้วยเขาก็ดีต้อนอบัตรปลายิตีอันนี้มันสวยเกินไปถ้าไม่ต้องการของสวยที่มีค่าของสวยที่มีค่านี่มันตายง่ายเวลาที่จะแสดงบัตรถ้าต้องทำลายกล่องนั้นสิก่อนคือทำลายให้แตกยับไปเลยนี่นักสืวไม่ในบอกว่าทำปากให้บินชนิดนนก็ใช้ได้เรียกว่าทาลายแล้ว อย่างนี้ท่านก็บินบินอยู่เลยน่ะไม่มีทางดีสอนแบบนี้ชอบสอนกันนักไอ้ผมเองก็รับคําสอนแบบนี้มาก่อนแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยมาตั้งแต่รับคําสอนท่านบอกว่าต้องต่อยกลองน้ำเสียก่อนต่อยไม่จะต่อยด้มือต่อยได้คอนตีให้มันแตกถยวท่านไม่ให้ใช่ก็ไม่ใช่เลย แล้วจริงจะสแสดงอบัตตกอบัตตกแต่มันไม่ลามนะคืความชั่วมันยังกินอยู่นี่ขอนี่มีค่ามากๆนี่เมื่อวันที่สามสิบเอ็ดทศเสภาคมอานางเสือพิมพ์ว่าพระวัดบงกดกษัตริยารามที่ของเทพมหาไรก็ไม่ทราบเรื่องชื่อมีพระได้ค่าดีไว้ขอลำค่ามีคนก็ไปหาผู้ชายสองคน ทำท่าลีลามันขอจะดูพระแสดงความเคารพพอได้ท่ามีจ้ำพระ อ, อนันต์าตายเลยแล้วก็ขนพระที่มีของมีค่ามากมายไปสามสิบองค์กว่านี่การในองสมเด็จพระบรมศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ไม่มีของมีค่าไว้เพื่อตนก็เป็นประโยชน์แบบนี้เพราะว่าสมัยก่อนอยู่ป่าอยู่ดงลำบาก ท่านี้มาสมัยนี้ก็เหมือนกันเขามีค่ามากไม่คนมีอยู่ในสำนักเอยิรวาไปไอสำนักของเรานี่มันบานเลยนะ